229ผู้จะบรรลุธรรมต้องเรียนรู้กายให้สัมมาทิฐิเพราะการบรรลุธรรมนั้นต้องเรียนรู้ความเป็นกายให้สัมมาทิฐิจึงจะปฏิบัติกายให้เป็นธรรมะได้สำเร็จจริงถ้าแม้นความเป็นกายเป็นจิตของกรรมฐานห้าขั้นต้นอันเป็นกรรมฐานแรกของนักบวชทุกรูป หากคนผู้บวชมาแล้วก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นกายเป็นจิตในกรรมฐานห้านี้บวชไปก็เป็นหมันเป็นโมฆบุตรเสียชาติที่ได้เข้ามาเป็นนักบวชไปปรเปล่าๆหรือไม่เช่นนั้นก็จะเข้าใจความเป็นธรรมกายผิดแน่แท้แล้วเอาความเป็นธรรมกายไปหลอกลวงคนให้หลงผิดตาม ความเสื่อมเสียหายนะก็เกิดกับศาสนาพุทธโดยตรงบางสำนักทำบาปร้ายด้วยการนำคำว่าธรรมกายนี้ไปหลอกคนอยู่ก็เห็นเห็นตามที่เป็นจริงเรื่องกายเรื่องจิตนี้อุปชาทุกท่านจะให้กรรมฐาน5ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นกรรมฐานแรกให้เรียนรู้กาย โดยเรียนรู้พิจารณาแยกกายแยกจิตให้ได้ว่าผมขนเล็บฟันหนังนั้นภาวะใดาอารมณ์อย่างไรฉนัยที่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นกายและเมื่อใดที่ผมขนเล็บฟันหนังไม่เป็นกายแล้วและเมื่อใดเป็นจิตไม่เป็นกายแล้วก็ต้องศึกษาพิจารณากันจริงๆ เพราะผมขนเล็บฟันหนังนี้เป็นอาการห้าเบื้องต้นในอาการ32สทวัจิงสาการที่จะเรียนรู้อาการเพศนิมิตอุเทศได้ง่ายที่สุดว่าเมื่อใดเป็นกายเมื่อใดไม่เป็นกายและเมื่อใดเป็นจิตเมื่อใดไม่เป็นจิต จึงจะสามารถเข้าใจได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อสอว่ากายที่เป็นจิตบ้างเป็นมโนบ้างเป็นวิญญาณบ้างนั้นอย่างไรหรือในความเป็นกายที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมมาทั้งปวงซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับกายนี้อีกนักกว่านัก ซึ่งอาตมาก็ได้หยิบมาสาธยายสู่กันฟังไม่น้อยแล้วและยังมีอีกมากในคำว่ากายเกี่ยวกับความเป็นธรรมะในาศาสนาพุทธแต่ก็เชื่อว่าคงจะมีนักปฏิบัติธรรมหรือนักบวชไม่กี่รูปหรอกที่จะปฏิบัติศึกษาพิจารณากรรมฐานหานี้และเม้จะพิจารณาก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าผม โคนเล็บฟันหนังนั้นเมื่อใดเป็นกายเมื่อใดไม่เป็นกายแล้วเมื่อใดเป็นจิตหรือเมื่อใดยังเป็นองค์ประชุมของรูปกับนามอยู่ชื่อว่ายังเป็นกายถ้านักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมคนใดแยกกายแยกจกิตแค่นี้ไม่ได้ก็เป็นอันไม่มีทางที่อธิปัญญาศิกขา ของผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถเข้าถึงพุทธธรรมหรือไม่บรรลุมรผลแน่นอนเพราะอาธิศินสิกขาอาธิกิจสิกขาบงเล็บสัมมาสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้เลย